วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ ความจริงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเรานี้ตามหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอยู่หกส่วนด้วยกันเรียกว่าธาตุทั้งหกร่างกายของพวกเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม ธาตุไฟส่วนใจของพวกเราที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี้ก็คือธาตุธาตุรู้เป็นธาตุรู้ใจเป็นธาตุรู้ทั้งห้าธาตุนี้ก็อยู่ในอาวากาศธาตุที่เราเรียกว่าจาักราวาล ที่ตั้งของธาตุทั้งสี่รือในจักรวาลนี้จะมีสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่ดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และสัตว์ที่มีชีวิตหรือต้อนไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ก็ทำมาจากธาตุสี่ทำมาจาก ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟส่วนธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในโลกของธาตุทั้งสีนี้ไม่ได้อยู่ในจักรวาลแต่อยู่ในโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายของพวกเราเพียงแต่ว่า มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับร่างกายของเราได้ผ่านกระแสของการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณถ้ารู้นี้ครูใจนี้มีมีวิญญาณที่สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายได้โดยมาเชื่อมที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆวิญญาณที่มาเชื่อมกับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะส่งรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปให้กับธาตุรู้คือใจอีกทีหนึ่ง อันนี้คือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟที่จะมารวมอยู่กันได้อยู่ระยะหนึ่งคือจะไม่อยู่กันไปตลอดแบบไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายนี้วันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลง เมื่อสิ้นสุดลงธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันก็จะแยกทางกันไปเวลาคนตายสิ่งที่แยกออกไปก่อนก็คือธาตุลมลมหายใจไม่เข้าไม่ออกมีแต่จะออกจากร่างกายไปตามไปด้วยธาตุไฟก็คือความร้อนในร่างกายความร้อนนี้ก็คือธาตุไฟร่างกายของคนตายนี้จะเย็น ไม่เหมือนกับร่างกายของคนขอ ง, ของคนเป็นร่างกายของคนเป็นนี้จะมีความร้อนมากกว่าร่างกายของคนตายเพราะว่าร่างกายของคนเป็นนี้ยังมีการต่อเติมธาตุไฟอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตามต่อจากธาตุลมธาตุไฟที่จะแยกออกจากร่างกายไปก็คือธาตุน้ำ ถ้าปล่อยให้ร่างกายที่ตายไปอยู่เฉยๆเดี๋ยวลนะ่ะส่วนที่เป็นส่วนน้ําก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆแล้วก็จะไหลไปจนกระทั่งร่างกายนี้ก็จะแห้งกรอบส่วนที่แห้งกรอบนี้ก็จะเป็นส่วนที่แข็งก็คือธาตุดิน ที่ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆก็จะผุพังกลายเป็นดินไป<ม>อนนี้คือร่างกายของสัตว์และมนุษย์มนุษย์ก็ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสัตว์เดราชฉานี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วก็มีธาตุรู้ที่มาเชื่อมกับร่างกาย ถ้ารู้นี้คือใจถ้ารู้นี้มีความสามารถที่จะรู้สิ่งต่างๆที่วิญญาณของท่านรู้นี้ไปรับมาจากร่างกายก็คือจะรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ที่สัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายเวลาร่างกายเห็นรูปท่านรู้นี้ก็จะรู้ต่างรู้ว่ากําลังเห็นรูป เวลาร่างกายได้รับเสียงเข้ามาทางหูวิญญาณก็จะส่งเสียงนี้มาให้กับธาตุรู้คือใจให้รับรู้ว่าตอนนี้มีเสียงเกิดขึ้นแล้วนอกจากความสามารถที่จะรับรู้รูปเสียงกิริยลดผลตภะได้แล้วธาตุรู้ยังมีความสามารถที่จะรับความรู้สึกรู้ความรู้สึกได้ด้วย แล้วก็ยังสามารถมีความจำได้และมีความสามารถที่จะคิดอะไรได้นี่คือธาตุรู้ธาตุรู้นี้ต่างจากร่างกายตรงที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่มีรูปร่างมีลักษณะ ที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเช่นน้ำที่เราเห็นในในทะเลในลแม่น้หลำคลองนี้ก็เรียกเป็นธาตุรู้ธาตุลมนี้เรามองด้วยตาไม่ได้แต่เราสัมผัสได้ด้วยร่างกายของเราเวลามีลมพัดเข้ามาร่างกายเราก็จะสัมผัสรับรู้กับธาตุลมได้ธาตุไฟก็คือความร้อน ร่างกายของเราก็จะสัมผัสรับรู้ได้แต่ตัวร่างกายเองนี้ไม่รู้ว่าตัวเองได้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆร่างกายนี้ไม่รู้ว่ากำลังได้ได้ยินเสียงอยู่ขณะนี้เสียงที่ได้ยินขณะนี้ผู้ที่รับรู้คือธาตรู้ไม่ใช่ธาไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้เป็นเป็นสื่อเป็นผู้เชื่อมหรือผู้รับ เสียงเข้ามาทางหูแล้วส่งไปให้วิญญาณที่มาเชื่อมติดอยู่กับหูนี้เพื่อให้ส่งไปให้ที่ใจได้ได้รู้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่กําลังได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่รู้ว่ากําลังได้ยินเสียงอะไรถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับไมโครโฟนไมโครโฟนนี้จะรับเสียง แล้วก็ส่งไปให้กับผู้ที่รอรับฟังเสียงอีกทีตัวไมโครโฟนเองนี้จะไม่รู้ว่าตอนเองนั้นได้รับเสียงอะไรเสียงชมหรือเสียงด่าหรือเสียงอะไรนี้จะไม่รู้เพราะไม่มีความสามารถที่จะรู้เพียงแต่มีความสามารถที่จะรับเสียงเท่านั้นเองเป็นสื่อที่จะรับเสียงเพื่อส่งไปให้ผู้ที่รับรู้อีกที ผู้ที่รับรู้นี้ก็คือธาตุรู้ธาตุรู้นี้ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายไม่ได้อยู่ในโลกของธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ํำลมไฟและอวกาศจะธาตุธาตุรู้นี้อยู่ในโลกของอีกโลกอยู่ในโลกของธาตุรู้ที่เราเรียกว่าโลกทิพย์เป็นของที่ไม่สามารถใช้ตาหูจมูกมนิ้วกายของร่างกายนี้สัมผัสรับรู้ได้ น, นี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราทุกคนพวกเรานี้มีประกอบขึ้นมาด้วยธาตุทั้งห้าหดินน้ำลมไฟคือร่างกายแล้วก็ธาตุรู้ก็คือใจผู้รู้สึกนึกคิดแล้วก็อยู่ร่างกายนี้ก็อยู่ในอวากาศธานอยู่ในจั ก, กรวาลโลกของจั ก, กรวาลนนส่วน ้ารู้นี้อยู่ในโลกทิพย์อีกทีหนึ่งนี่คือเรื่องขององค์ประกอบของชีวิตของพวกเราแล้วทำไมเราถึงต้องมาศึกษาเพื่อมาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ทำไมกัน<ม>ก็เพราะว่าธารู้ที่มาเกี่ยวข้องกับธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้ ไม่เข้าใจความเป็นจริงของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเพื่อมาสร้างสร้างร่างกายนี้ขึ้นมาร่างกายที่ประกอบด้วยอาการ32ที่เรามีอยู่กันทุกคนเช่นเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก แล้วก็มีอวัยวะต่างๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นน้ำของเหลวต่างๆเช่นน้าเลือดน้ำเหลืองเป็นต้นนี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลงไฟร่างกายนี้เป็นไม่ได้เป็นของของใครไม่มีตัวไม่มีตน ร่างกายนี้เป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้นําเอาธาตุทั้งสี่มารวมตัวกัน mm. พอมีธาตุทั้งสี่มารวมตัวกัน mm. ก็จะเกิดร่างกายขึ้นมา mm. เบื้องต้นก็อาศัยธาตุสี่ของแม่กับของพ่อมารวมกัน mm. mm. คือการผสมพันธุ์ เอาธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายของพ่อกับธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายของแม่นี้มารวมกันพอ <c oughs> มารวมกันแล้วมันก็จะเริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นร่างกายขึ้นมา <c oughs> ก็จะสร้างตัวขึ้นมาในขณะที่อยู่ในท้องของแม่ <c oughs> แม่ก็ส่งธาตุสี่มาเติมให้อยู่ด้วยลมหายใจของแม่ด้วยน้ำของเหลวที่แม่ดื่มกาไป ด้วยอาหารที่เป็นของของแข็งเป็นธาตุดินแล้วก็ความร้อนที่ได้รับจากแสงแดดเอามา <c oughs> <c oughs> เข้ามาในร่างกายของแม่แล้วก็แบ่งให้ส่วนหนึ่งก็แม่ก็เอาไว้ใช้เองแม่ก็ต้องมีธาตุสี่ไว้สำหรับดูแลร่างกายของตนเพราะถ้าว่าร่างกายของตนนั้นขาดธาตุใดธาตุหนึ่งไป ร่างกายนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ร่างกายนั้นก็จะต้องตายไปธาตสี่อีกส่วนหนึ่งก็ส่งเข้ามาให้กับเด็กที่อยู่ในคันก็ให้ลูกที่อยู่ในคันให้สร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาตามลาดับพออว้พอร่างกายมีอวัยวะครบสามสิบสองบริบูรณ์สามารถที่จะอยู่นอกท้องของแม่ได้แล้วก็จะคลอดออกมา ร่างกายที่กลอดออกมาจากท้องแม่นี้ก็จะมีอาการ32เหมือนกับของแม่ของพ่อที่สามารถที่จะาสามารถที่จะรับธาตุทั้งสี่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยแม่มาเป็นผู้ส่งธาตุทั้งสี่หล่อเลี้ยงให้ออกมาจากท้องแม่เด็กก็ต้องหายใจเองต้องดื่มน้ำเอง ต้องรับประทานอาหารเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปเมื่อโตขึ้นตามลำดับ <c oughs> นี่คือการเกิดขึ้นของร่างกายที่มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่เป็นระบบของธาตุทั้งสี่ที่เข้ามารวมตัวกันมาสร้างอวัยวะอาการสามสิบสองให้เกิดขึ้นกับร่างกายเพื่อร่างกายจะได้สามารถที่จะเคลื่อนไหวหทําอะไรต่างๆได้ ช่วงที่กําลังเจริญเติบโตร่างกายก็จะค่อยๆหัดเคลื่อนไหวหัดหัดเดินหัดยืนหัดนั่งหัดนอนหัดทําอะไรหัดกินหัดอะไรต่างๆไปเพราะนี่เป็นเรื่องที่จําเป็นในการที่จะดํารงชีวิตของร่างกายร่างกายจะต้องรู้จักวิธีที่จะเลี้ยงดูตนเองได้ยิ่งต้องมีการฝึกฝนอบรม จากพ่อแม่พ่อแม่ก็จะเป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักการดื่มการรับประทานการขับถ่ายการทำความสะอาดร่างกายการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไป mm hmm. เพื่อที่ร่างกายจะได้เจริญเติบโตและสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ต่อไป mm hmm. ใจที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายนี้ มีเหตุที่ทําให้ใจมาเชื่อมต่อกับร่างกายเหตุที่ทําให้ใจคือถ้ารู้นี้มาเชื่อมต่อด้วยกระแสของวิญญาณก็กระแสของการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณในในใจนี้มีความรู้มีความสามารถอยู่สี่อย่างด้วยกันคือสามารถมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนาสามารถจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญา สามารถคิดได้เรียกว่าสังขารแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสมาได้เรียกว่าวิญญาณ<ม>นี่คือความสามารถของธาตุรู้คือใจ<ม>ที่ต้องการจะมาเชื่อมต่อกับร่างกายเพราะว่าในใจนี้มีความมีความหลงครอบงำใจอยู่ความไม่รู้ความจริง ว่าความสุขของใจนี้อยู่ที่ไหนใจหรือธาตุรู้นี้ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้มีอยู่ในตัวของตัวเองเลยไปคิดว่าการที่ธาตุรู้จะมีความสุขได้นี้จาเป็นจะต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมาให้เสพมาให้สัมผัสธาตุรู้นี้ก็คือใจก็เลยส่งกระแสของ การรับรู้คือวิญญาณนี้ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเวลาที่มีการตั้งละตั้งคันขึ้นมาในท้องแม่ถ้ารู้ที่รอจังหวะรอคิวของตนพอถึงคิวของตนที่จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายที่กาลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในร่างในท้องของแม่ ถ้ารู้ก็จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายทันทีแล้วก็รอให้ร่างกายนี้จเจริญเติบโตแล้วข้อออกมาพอข้อออกมาแล้วธาตุรู้นี้ก็จะเริ่มรับรู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลภัณ พ, ท, พที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเวลาที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกถูก อ, อกถูกใจที่ชอบ ก็จะเกิดสุขเวทนาเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจเวลาที่ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าพะที่ไม่ชอบก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาและเวลาที่ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผถ้พระที่เป็นของกลางๆจะว่าชอบก็ไม่เชิงจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่ ก็จะมีความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์กับกับการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาแต่ใจนี้มีความอยากที่จะหาความสุขอย่างเดียวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภาชนิดต่างๆใจก็เลยต้องคอยวิ่งหาหรือคอยคอยแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผดถภ ที่ให้ความสุขกับใจแล้วก็ต้องคอยหลบคอยหลีคอยหนีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะที่ให้ความทุกข์กับใจนี่คือเรื่องของใจที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายแล้วก็มาทุกข์กับเรื่องเรื่องของร่างกายเพราะความไม่รู้ว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่รู้ว่าตอนเองเป็น เป็นธาตุรู้ที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายที่เป็นธาตุสี่ความไม่รู้นี้ความหลงนี้ทำให้ใจคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายเพราะว่าใจนี้ไม่สามารถมองเห็นตัวของตัวเองได้ใจไม่สามารถมองเห็นธาตุรู้ด้วยด้วยร่างกายได้เวลาเกิดมาก็ออกมาจากท้องแม่พร้อมๆกับร่างกาย ก็เห็นแต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวใจที่เป็นท่ารู้นี้ก็เลยไปคิดว่าใจเป็นร่างกายไปแล้วก็พาร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะความอยากของใจที่อยากจะหาความสุขจากการเสพสัมผสัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผธทะชนิดต่างๆไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี้ ทำให้ใจนี้ต้องมีความทุกข์กับความไม่แน่นอนของร่างกายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายมีอปุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดที่ใจชอบใจอยากได้ใจก็จะเดือดร้อนใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่คือปัญหาของธาตุรู้คือใจคือใจของพวกเราทุกคนนี้ปัญหาของพวกเราทุกวันนี้ก็อยู่ที่ความทุกข์ใจไม่สบายใจความทุกข์ใจไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดที่เราชอบชนิดที่เราอยากได้ เวลาที่เราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิัชนิดที่เราอยากได้เราชอบเราก็จะมีความสุขกันแต่บางเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่เราชอบได้บางทีก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสแบบกลางๆที่เราชอบที่เราไม่ชอบหรือชอบไม่ จะชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่เชิงเราก็จะรู้สึกเฉยๆรู้สึกเบื่อนายอยากจะพบแับรูปเสียงกิเลสผลทพะที่เราชอบเท่านั้นเวลาที่เราไปสัมผัสกับรูปเสียงกิเลสผลทพะที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความไม่สบายใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือปัญหาของใจใจเกิดความทุกข์ก็ ไม่รู้ความจริงของรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ใจอยากจะมาเสพมาสัมผัสให้เกิดให้มีความสุขนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพะนี้มีสามชนิดด้วยกันไม่ใช่มีเพียงชนิดเดียวคือชนิดที่ใจชอบชนิดที่ให้ความสุขกับใจมันมีชนิดที่ให้ความทุกข์กับใจแล้วก็มีความมีชนิดที่ให้ความรู้สึกเฉยๆกับใจ เวลาใจไปเจอกับชนิดที่ให้ความทุกข์หรือให้ความเฉยๆใจก็จะรู้สึกไม่ไม่มีความสุขใจก็จะพยายามดินน้นรนหาชนิดที่ให้ความสุขกับใจแต่เครื่องมือที่จะใช้คือร่างกายคือตาหูจมูกงิ้นกายนี้มันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีมันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคได้ ตาหูจมูกนิ้วกายอาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องทนอยู่กับไปถ้าทนได้ถ้าบางคนทนไม่ได้ก็คิดฆ่าร่างกายคิดว่า เมื่อไม่มีร่างกายแล้วตนเองจะจะได้สุขได้สบายอันนี้ก็เป็นความคิดผิดอีกเพราะเวลาไม่มีร่างกายใจก็ทุกข์อกีกใจก็อยากจะมีร่างกายเพื่อที่จะได้มีร่างกายมาหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผดถภาอีกเวลาค่าตัวตายไปใจก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มีแต่ความทุกข์ ในช่วงที่เรารับร่างกายอันใหม่ใจก็จะไปอยู่ในอบายเราเรียกว่าอบายสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเสียใจความเศร้าโศกเสียใจต่างๆเกิดจากการที่ใจไปทำร้ายร่างกายหรือไปทำร้ายผู้อื่นเราเรียกว่าเป็นการกระทําบาปเนี่ยใจนี้ถึงแม้ว่าร่างกายตายไปแล้วเนี่ยแต่ความอยากที่จะหาความสุข ผ่านทางร่างกายนี้มันยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันอยู่ในใจความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับใจแล้วมันก็เป็นตัวที่จะผักดันให้ใจนี้ไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะชนิดต่างๆอี นี่ก็คือที่มาของการเวียนว่ายตายเกิด ใ, ใจของเรานี้ตอนนี้มาเกิดอยู่กับร่างกายอันปัจจุบันนี้แต่ร่างกายปัจจุบันนี้มันก็อยู่ได้ชั่วคราวไม่เกินร้อยปีอย่างมากกา็บางคนอาจจะเกินนิดหน่อยแต่ในที่สุดมันก็จะต้องสิ้นสุดลงและในช่วงที่ก่อนจะสิ้นสุดลงนี้ ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพมันก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขให้กับใจได้ใจก็ต้องอยู่กับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ใจก็ไม่เคยเข็ดหลับไม่รู้ว่าการมามีร่างกายนี้มันจะต้องทำให้ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เวลาร่างกายตายไปใจที่ยังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะอยู่ mm. ก็จะไปรอหารับร่างกายอันใหม่ต่อไป mm. กลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพรอกลับมาเกิดใหม่ mm. ก็ต้องมาเจอกับความสุขและความทุกข์ mm. จากการใบเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆชนิดที่เป็นสุขก็มีความสุข อันนี้ที่เป็นทุกข์ก็จะมีความทุกข์อันนี้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็จะมีความทุกข์แล้วเวลาไม่สามารถที่จะเสพได้เนื่องจากร่างกายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการจะตายตอนนั้นก็เจอความทุกข์อีกนี่แหละคือปัญหาของใจคือทัตุรู้ที่มีความหลงหรือความไม่รู้ความจริง ว่าความสุขที่แท้จริงของธาตุรู้นี้อยู่ที่ไหนนานๆทีนี้จะมีธาตุรู้อยู่ธาตุอยู่อยู่อยู่รูปหนึ่งอยู่อยู่องค์หนึ่งที่มีความสามารถมีความรู้ความฉลาดที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริงของธาตุรู้ว่าอยู่ที่ไหนได้ และสามารถที่จะทําให้ยุติการที่จะต้องมาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงจิตรสโภชพระชนิดต่างๆธ <Okay. S 1> ารู้ที่สามารถพบความสุขที่แท้จริงได้นี้ mm. ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นเอง mm. พระพุทธเจ้าก็คือธาตรู้เหมือนพวกเราพวกเรามีธาตรู้ แต่ถ้ารู้ของพวกเรานี้ถูกความงงครอบงำจิตใจไม่มีความรู้ความสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนไปรู้เพียงแต่ความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เปรอะเปื้อนด้วยความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนานๆจะมีท่านรู้ที่ฉลาดที่ สามารถที่จะค้นหาความจริงความสุขที่แท้จริงของธาตรู้ได้ว่าอยู่ที่ไหน<ม>ผู้ที่รู้นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเอง<ม>นานๆจะมีทาตรู้อย่างพระพุทธเจ้ามามาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่ง<ม>แล้วถ้าพอมีธาตรู้อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหน และวิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนี้เข้าถึงได้อย่างไรพระองค์ก็เลยสามารถนาเอาความรู้นี้มาสอนผู้อื่นต่อไปได้มาสอนธาตุรู้ธาตุอื่นได้ธาตุรู้ของผู้อื่นได้ว่าถ้าพวกเธออยากจะมีความสุขพวกเธอต้องทำแบบนี้ขั้นต้นพวกเธอต้องเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิตต่างๆ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขร้อยเปอร์เซนต์มันเป็นความสุขส่วนหนึ่งแล้วมันก็มีความทุกข์มาผสมอยู่ด้วยทุกครั้งที่เธอหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่วเธอก็จะต้องเจอกับความทุกข์จากการหารูปเสียงกลิ่นรสเพราะเธอจะต้องไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่วที่ที่มีแต่ความทุกข์ถ้าเธอไม่อยากจะมีความทุกข์เนี่ย ให้หยุดหาความสุขจากรูปเสียงกยลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วให้มาหาความสุขจากการทำใจทาให้ธาตุรู้นี้หยุดคิดให้ได้ทำให้ธาตุรู้นี้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ให้คิดอะไรแล้วจะจ ะ, จะจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่อยู่ในใจที่จะสามารถทำให้ใจนี้มีความสุขไปได้ตลอด อย่างไม่มีวันสิ้นสุดโดยที่ไม่ต้องกลับมาอาศัยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปเพราะว่าถ้าตราบใดยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็จะต้องเจอความทุกข์ที่มากับร่างกายความทุกข์ที่มากับรูปเสียงกลิ่นรสผลธัชชนิดต่างๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้ารู้ของพวกเรานี้ได้ใช้ร่างกายมานี้เป็นจํานวนไม่นับไม่ถ้วนแล้วถ้าเป็นจะนับด้วยเลขตัวเลขก็ขึ้นเป็นล้านล้านขึ้นไปเอาล้านมาคูณล้านร่างกายก็ยังไม่ได้ร่างจานวนร่างกายที่เราได้เราได้ผัดเปลี่ยนใช้กันมาถ้าอยากจะรู้ว่าร่างกายที่เราได้มานี้มีกี่ร่างกาย ก็ให้เราเอาน้ำตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่เรามีร่างกายเวลาเรามาเกิดแต่ละครั้งนี้เราต้องเจอกับเรื่องราวที่ทาให้เราเศร้าโศกเสียใจกันแล้วเราจะต้องหลังน้ำตากันถ้าเราเอาน้าตาที่เราหลังในแต่ละครั้งที่เรามามีร่างกายนี้มารวมกันแล้วนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้หลังน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร เิ็นดูเสียว่าเราจะต้องมาเกิดจีครั้งด้วยกันถึงจะหลังน้ำตาได้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นหละคือปริมาณของความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจที่พวกเราเผชิญกันมาและจะเผชิญกันต่อไปอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มีโอกาสได้มาพบกับธาตุรู้อย่างพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะรู้วิธีหาความสุขที่ไม่ต้องมีความทุกข์ตามมาผู้ที่รู้วิธีที่จะทำให้เรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหรือเราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะทุกครั้งที่เรามีร่างกายร่างกายนี้มันก็จะต้องเป็นไปตามวัตจาของมัน วัฏจักรของร่างกายก็คือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใคร ล, ล่วงพ้นไปได้แม้นะแต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ดีร่างกายของพระสาวกทั้งหลายก็ดีก็เป็นวัฏจักรแบบเดียวกันคือต้องแก่เจ็บตายต่างกันตรงที่ว่าร่างกายของพระพุทธเจ้ากับพระสาวกนี้เป็นร่างกายสุดท้ายของท่านแล้ว หลังจากร่างกายสุดท้ายของท่านนี้ตายไปท่านจะไม่มามีร่างกายอีกต่อไปแล้วเพราะท่านได้พบกับความจริงความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนและจะได้มาได้อย่างไรท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะเข้าถึงท่านก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไป ท่านสามารถมีความสุขอยู่ตามลำพังของท่านได้ท่ารู้ของพระพุทธเจ้าท่ารู้ของพระอรหันต ส, ส า, ตสาโกนี้เป็นท่ารู้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขด้วยความอิ่มด้วยความพอต่างกับท่ารู้ของพวกเราท่ารู้ของพวกเราในขณะนี้เต็มไปด้วยความหิวโหยเต็มไปด้วยความอยากอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยาก เป็นนั่นเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่เพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ไม่รู้หรอกว่าต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็ตามสิ่งต่างๆที่ได้มานี้จะไม่สามารถให้ความอิ่มความพอไปได้ให้ความสุขแบบชั่วคราวเดียวๆแล้วมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟพอความสุขที่ได้จากการไป เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆเวลาสัมผัสก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอไม่ได้สัมผัสพอพอหยุดสัมผัสเมื่อไหร่ความสุขที่ได้นั้นก็จะหายไปเช่นเวลาที่เราสัมผัสกับเครื่องดื่มชนิดที่เราชอบเวลาได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบก็เกิดความสุขใจขึ้นมาชั่วขณะที่ดื่ม พอหลังจากดื่มเสร็จแล้วความสุขที่ได้นั้นก็จะจางหายไปเราเดี๋ยวก็เกิดความอยากที่จะดื่มใหม่เช mm ่ hmm. นเดียวกับการดูภาพหรือฟังเสียง mm hmm. ก็แบบเดียวกันเราไปดูภาพอะไรที่เราชอบที่ถูกอกถูกใจเราก็เกิดความสุขใจมาชั่วคราวพอเราหยุดดูความสุขที่ได้จากการดูภาพนั้นก็หมดไป พอความสุขนั้นหมดไปความหิวที่อยากจะได้ความสุขนั้นก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็ทำให้เราต้องไปหาภาพใหม่หารูปใหม่มาดูอีกเรื่อยๆเราจึงต้องคอยเราจึงต้องคอยดูคอยหารูปมาดูคอยหาเสียงมาฟังหาหารถมามาลิ้มรถหากลิ่นมาดมหาสัมผัสต่างๆมาสัมผัสกับร่างกายของเราตลอดเวลา เพื่อที่เราจะได้มีความสุขกันแต่การที่จะให้มีความสุขอย่างตลอดอย่างอิ่มอย่างพอนี้จะไม่มีวังเกิดขึ้นแล้วเวลาที่มีอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์มาให้เสพมาสัมผัสได้เวลานั้นก็จะเกิดอาการเศร้าซ้อยหงอยเหงาเกิดอาการซึมเศร้าเกิดอาการหงุดหงิดเกิดอาการไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าเกิดอาการรุนแรงบางทีก็คิดสั้นทนอยู่ไม่ได้กับความทุกข์ก็จะต้องคิดฆ่าตัวตายกันไปแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรกลับไปเพิ่มปัญหาตรงที่ว่าจะทําให้ใจนี้ต้องไปรับผลบาปจากการฆ่านี้ในอบายก่อนถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาได้เจอกับสภาพที่ ทนทุกข์ทรมานไว้ไม่ไหวก็จะฆ่าตัวตายใหม่ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆชีวิตก็จะวนเวยอยู่กับการเกิดแล้วก็เกิดมาฆ่าตัวตายซึ่งอาจจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้เพราะความเสียใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวนะัยคนบางคนนี้ฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบก็มีเพราะทนทนอยู่กับความทุกข์ทรมานใจไม่ได้เด็กสมัยนี้อายุไม่ถลายฆ่าตัวตายยังก็มี ไม่จำเป็นจะต้องรอมาแก่มาเจ็บมาเป็นโรคที่รักษาไม่หายถึงอยากจะคิดฆ่าตัวตายเร<ๆ>พราะนี่เป็นนิสัยที่เคยทํามาในอดีตาชาติเคยแก้ปัญหาความเศร้าความาซึมเศร้าเหงาหงอยความทุกข์ทรมานใจด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะทําให้ติดเป็นนิสัยมาชีวิตก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากคงเอวงจรอุบาท this ได้ เพราะการที่เราจะหลุดออกจากวงจรอุบัติเหล่านี้ได้เราต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งที่จะทนรับกับความทุกข์ต่างๆที่มันปรากฏขึ้นมาและเราจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนของเราเองเพราะเราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้เหล่านี้พันฝ่ากับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ถ้าเราไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระหลานตสาวก ผู้ที่ผ่านวิธีการต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากต่างๆของชีวิตด้วยพลังจิตของตนเองพวกเราทุกคนนี้สามารถสร้างพลังจิตให้เกิดมีความเข้มแข็งให้มีความสามารถที่จะสู้กับความทุกข์ยากลำบากสู้กับความทุกข์ทรมานใจต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราได้แต่เราต้องมีครูสอน เพราะว่าเราไม่เคยฝึกหัดวิธีนี้กันเราฝึกหัดแก้วิธีวิธีแก้วความทุกข์ทรมานใจของพวกเราก็คือการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาแต่พอเราไม่สามารถที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาแก้วความทุกข์ทรมานใจได้เราก็ใช้วิธีฆ่าตัวตายไปเราก็จะไม่มีวันที่จะตัดวงจรอุบาทนี้ได้ แต่ถ้าเรามาฝึกมาฝนมาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาจากภาษาวกวิธีการที่เราจะต่อสู้กับความทุกข์ทรมานใจต่างๆนี้เราต้องใช้วิธีการปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเราถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีศึกษาจากตัวแทนของพุทธเจ้าคือพระธรรมคาสอนที่มี บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือศึกษาจากพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้านี้ก็ดีท่านก็จะสอนวิธีให้เรามาฝึกมาปฏิบัติมาสู้กับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในใจของเราโดยที่เราไม่ต้องฆ่าตัวตายและจะเป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ทรมานใจอย่างถาวร วิธีนี้ท่านเรียกว่าวิธีของการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเราต้องสร้างคุณธรรมสามประการนี้ขึ้นมาในใจของเราได้เพราะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญานี้ศีล ส, สมาธิปัญญานี้จะสามารถมาลบล้างมาดับความทุกข์ทรมานใจต่างๆของเราได้ ถ้าเราไม่ใช้ศีลสมาธิปัญญานี้เราจะไม่สามารถที่จะลบล้างทําลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพบแล้วพบเล่ามาหลังน้ําตาจนกระทั่งมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทร เราต้องมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันว่าเราจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมา mm hmm. เบื้องต้นเราก็สมัครเราก็มาศึกษาเรื่องศีลก่อนว่าการที่เราจะมีศีล น, นี้มีอะไรบ้างศีลนี้ก็คือการละเวน้นการกระทําที่เป็นโทษกับจิตใจของเรา mm hmm. เช่นการกระทําบาป คือการฆ่าสัตว์นี้การลักศัพ์การประพฤติผิดประเทณีการพูดปน่นและการดื่นสรายาเมา mm hmm. การกระทำเหล่านี้เวลาเราทำไปแล้วแทนที่จะทแทนที่จะดับความทุกข์ใจเหมือนกับสร้างความทุกข์ใจให้ให้เกิดขึ้นมา mm hmm. เวลาที่เราโกหกนี้เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจ เวลาที่เราไปประพฤติผิดประเพณีอนอกใจแฟนเราสามีเราภรรยาเราเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราไปเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นมามันจะทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราไปทําร้ายชีวิตของผู้อื่นมันจะสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับพวกเรากับผู้ที่กระทําบา เพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทําบาปก่อนอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดแล้วก็อย่าดื่มสุรายาเมาเพราะว่าการดื่มสุรายาเมานี้จะทําให้เราขาดสติที่จะมาเป็นเครื่องมือยับยัง้งการกระทําที่ไม่ดีของเราได้ ปกติถ้าเราไม่มึนเมาเนี้เรามักจะไม่ทําบาปกันแต่เวลาเรามึนเมาแล้วเวลาเกิดความคิดไม่ดีคิดที่จะทำบาปก็จะไม่มีอะไรมายับยั้งจิตใจได้ดัง mm hmm. นั้น mm hmm. เราจึงต้องพยายามรักษาสติด้วยการไม่ดื่มสุรายามเมาให้ขาดสติเวลาขาดสติแล้วเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาคิดจะโกหกก็โกหกคิดจะพูดคำหยาบก็พูดคำหยา คิดจะประพฤติผิดประเพณีก็จะประพฤติผิดประเพณีคิดอยากจะลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะไปลักทรัพย์คิดจะฆ่าก็จะฆ่าแต่ถ้ามีสติแล้วจะยับยั้งได้เพราะรู้ว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีเป็นกระทําที่เกิดโทษ <Yeah. S 1> นี้เบื้องต้นเราต้องหัดมารักษาศีลห้ากันให้ได้ก่อน พอเรารักษาสินห้าได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มการรักษาสินเพิ่มขึ้นอีกจากสินห้าเราก็ต้องไปรักษาสินแปเพิ่มขึ้นอีกสามข้อสินที่เพิ่มข้อขึ้นอีกสาข้อนี้เป็นการเป็นการห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วชนิดต่างๆเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกลิน่นรสผลถัเช่นสินข้อสาม ที่ห้าไม่ให้เราไปประพฤติิดประเพณีก็เปลี่ยนมาเป็นห้าไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนกับคู่ของของเราไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันการร่วมหลับนอนนี้เป็นการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของแฟนอย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะมันจะมีปัญหาเวลาที่ไม่สามารถที่จะมีเวลาแฟนจากเราไปหรือแฟนเขาทิ้งเราไป เราก็อยากเจอเจอกับความเหงาความเศร้าความว้าเหว้ขึ้นมาอย่าไปเพิ่งความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็เพิ่มสีข้อหกอย่าไปเพิ่งความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายความต้องการของร่างกายนี้รับประทานเพียงครึ่งวันก็พอเที่ยงวันก็พอวันละมือ้อสองมื้อนี่ก็เหลือเฟือ สำหรับพระนักบวชนักปฏิบัตินี้ท่านรับประทานมื้อเดียวท่านก็อยู่ได้อย่ารับประทานอาหารเพื่อเป็นการเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเพราะเวลาที่มันไม่ได้ไม่ได้กินมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาในเวลากินมากขึ้นเกินไปมันก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ร่างกายได้ร่างกายก็จะเกิดมีน้ําหนักเกินมีน้ําหนักมากก็จะมีโรค ต่างๆที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปเช่นโรคเบาหวานเชโรคความดันโรคไขมันอุดตันเป็นต้นอันนี้เป็นโทษอย่าไปทํามันให้รับประทานพอพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่าไปหาความสุขจากการรับประทานหรือการดื่มเครื่องดื่มต่างๆ <c oughs> ให้มาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่พระเจ้าจะสอนให้ทําต่อไป ส่วนข้อเจดสิข้อเจ็ดก็ให้เราหยุดหาความสุขจากการสัมผัสกับมลลมหรสมบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ <c oughs> ไปงานเลี้ยงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเชื้อผ้ออาอภรรที่วิจิตพิสดารไม่ใช้เครื่องสมอางน้ำหอมน้ำมันอะไรต่างๆ เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวเดียวเวลาถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้คนที่เคยแต่งหน้าแต่งตัวนี้จะติดนิดสัยนี้เวลาออกนอกบ้านถ้าไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วจะไปไม่ได้จะเกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองอย่าไปอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นความสุขปลอม แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปจึงไม่ให้นอนบนเตียงสําราญเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงที่นอนแล้วสุขสบายเพราะมันจะนอนมากเกินไปร่างกายเวลาได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงที่สบายจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อจึงให้นอนบนเตียงที่เป็นพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อ เวลานั่งกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วเวลาตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนแล้วมันเจ็บหลังจะได้ลุกขึ้นมาหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้ลูกเสียงกิจลดเป็นเครื่องมือก็คือความสุขในการที่มาทำใจให้สงบที่เราเรียกว่ามานั่งสมาธิกันการที่เราอยากจะหาความสุขจากการทาใจให้สงบ ทำใจให้นิ่งนี้เราต้องละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าเราไปหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันนั่นเองเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันแทนที่จะดูหนังฟังเพลงก็ไปนั่งสมาธิกันแทนที่จะกินข้าวเยน็นกันก็ไปนั่งสมาธิกันกินข้าวแค่เที่ยงวันก็พออยู่ได้ไม่ตาย แลเวลานอนก็ไม่ต้องนอนมากนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงก็พอตื่นขึ้นมาจะได้มีเวลานั่งสมาธิกันได้ไดถ้าเรามาฝึกสมาธิ <c oughs> ถ้ารู้จักวิธีฝึกที่ถูกต้องแล้วเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้เราก็จะได้สัมผสัสกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เหนือกว่าความสุขของรูปเสียง ก, กลิ่นรสผงต่อพระพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วา ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขถังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีถ้าเราสามารถพบเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการสึกสมาธิได้นี้เราก็จะได้ไม่ต้องไปใช้อาศัยความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายต่อไปน อันนี้แหละคือเป้าหมายเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเลอกหาความสุขจากการใช้ <c oughs> ใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกเล่นกายเพราะมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวแล้วบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันจะต้องทำให้เรานี้เจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆแล้วความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่สามารถทำให้เกิดความอิ่มความพอได้ ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทําใจให้สงบมันจะทําให้เกิดความอิ่มความพอจะทําให้เรามีความรู้สึกอิ่มรู้สึกสบายไม่หิวโหยไม่ต้องการอะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วแต่ความสุขที่เราได้จากการทําสมาธินี้ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่จะสุขจะสงบในขณะที่เรานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งเท่านั้น เวลาเราออกจากสมาธิมาพอใจเราเริ่มคิดเริ่มมาสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆความอยากที่ถูกกําลังของสมาธิกดไว้นี้ยังไม่ตายมันก็จะออกมาแสดงตัวออกมาอยากไปหาความสุขจากลูกเสียงกิรลดพธะอีกพอมันเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะทำให้ใจนี้กระสักระสายวุ่นเหยีดทาให้ใจรู้สึก วุ่นวายใจขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ถ้าไม่ถ้าไม่ไปหารูปเสียงกิจลดมาเสกถ้าไปหารูปเสียงกิจลดมาเสกมันก็ยะติดความสุขในรูปแบบเดิมอยู่ซึ่งเป็นความสุขที่เราต้องการที่จะเลิกเสกแล้วเราจะทำไงถึงจะทำให้เราไม่กลับไปเสก ร, รูปเสียงกิจลดต่อไปได้เราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่า ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกิรลดพทธะนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะตั้งหมดบางทีอยากได้แต่ไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะไปหาควรจะเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นพิษเป็นภัยเพราะมันจะทาให้ใจเราต้องเศร้าต้องเสียใจต้องหงุดหงิดต้องทรมานใจ และอาจจะทำให้เรื่นี้ถึงกับคิดค่าตัวตายได้ให้เราเห็นโทษของการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิก่นรสผลิธธภัพต่างๆเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปบางทียังไม่เกิดก็อยากได้แต่ไม่เกิดก็ทำให้เราทุกข์ใจได้<ม>เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปและมันเป็นสิ่งที่เราควบคุม บ, คบังคับไม่ได้ บังคับให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขระดับไหนก็ตามความสุขของมหาเศรษฐีความสุขของคนธรรมดาความสุขของขอทานมันก็เป็นล้วนเป็นความสุขแบบชั่วคราวทั้งนั้นได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทําให้ใจเศร้าขึ้นมาแล้วทาให้ใจต้องไปดิ้นรนหาความสุขแบบเก่าอีกซึ่งหามาอีกก็จะเจอความก็จะเจอความทุกข์แบบเดิมอีก ว่ามันก็เป็นความสุขชั่วคราวที่ไม่ให้ความอิ่มความพอให้เราตัดความอยากเหล่านี้ไปเสียจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ออกไปจากใจของเราได้แล้วนี้ใจของเรานี้จะนิ่งจะสงบจะอิ่มจะพอขึ้นมาโดยอัตโนมัตินี่คือธรรมชาติของใจเวลาที่ไม่มีความอยากอยู่ในใจใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะเย็นใจจะสบายใจจะอิ่มใจจะพอ ใจจะไม่หิวไม่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรใจมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดตัวที่ทําให้ใจรู้สึกพร่องรู้สึกว่าขาดขาดอะไรนั้นก็คือความอยากนั่นเองซึ่งถ้าเราไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนเราแทนที่เราจะมาฝืนความอยากหยุดความอยากกันเราก็จะทําตามความอยากกัน อยากจะไปเที่ยวหรือไปเลยอยากจะไปดูภาพยนตร์หรือไปเลยอยากจะไปกินอะไรหรือไปเลยแต่ไม่เคยคิดว่าไปแล้วได้อะไรกลับมาก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียว<ๆ>ไม่นานเดี๋ยววันต่อมาก็อยากอีกแล้วแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินไปจะทำยังไงตอนนั้นก็เครียดขึ้นมาแล้วสิไม่มีเงินพาไปเที่ยวไม่มีเงินพาไปดูภาพยนตร์ไม่มีเงินไปใช้ซื้อของต่างๆที่เราอยากจะได้ขึ้นมา ตอนนั้นก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้<ะ>เกิดอาการว้าเวเกิดอาการไม่มีความสุขขึ้นมามีแต่ความทุกข์ทรมานใจขึ้นม า, นาให้เราเห็นผลของการที่เราเวลาเรามีความอยากแล้วเราไปทำตามความอยาก <schön. S 1> มันจะทำให้เราวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งนี้ไม่สามารถทาตามสิ่งที่เราอยากได้ เวลาไม่สามารถทําตามสิ่งที่เราอยากได้เวลานั้นจะเป็นเวลาที่เราต้องทุกข์ใจกันต้องทรมานใจกันให้เห็นโทษฝืนความอยากถ้าเรามีถ้าเรามีสมาธิมีปัญญานี้เราจะฝืนได้เราจะหยุดได้ถ้าเรามีสมาธิจิตเรานิ่งเฉยได้แล้วก็เพียงแต่ทําสั่งให้จิตนิ่งอยู่เฉยเฉยอย่าไปทําตามความอยากความอยากมันก็จะดิ้นอยู่สักพักหนึ่งพอมันรู้ว่าใจเราแข็งกว่ามันใจเรา ใจเรามีกำลังมากกว่ามันใจเราไม่ต้องไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะมันก็จะหายไปเองแล้วพอมันหายไปแล้วที่นี้มันก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปถึงแม้มันจะกลับมามันก็รู้ว่ากลับมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรกลับมาก็ทำทำให้เราไปทำตามมันไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเห็นโทษของการทำตามความอยากแล้วว่ามันจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความทรมานใจนาไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจ นำไปสู่ความเหงาความว้าวเวความฟุ้งซ่าน <Yeah. S 1> มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราทําตามความอยากกันไม่ <Yeah. S 1> ว่าจะอยากอะไรอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นเช่นนั้นอยากมีอยากเป็นก็เป็นเช่นนั้นอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นมันก็เป็นเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องเสียใจต้องเศร้าใจเพราะเราจะไม่สามารถทําตามความอยากของเราได้เสมอไปหรือเวลาทาได้แล้วสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปได้ ได้มาแล้วตอนต้นก็ดีอยู่ไปสักพักมันก็กลายเป็นของไม่ดีได้เช่นรถยนต์ที่เราซื้อมาใหม่ๆ ม, มันก็ดีวิ่งได้ดีทุกอย่างใช้ไปใช้ไปต่อไปมันก็เริ่มเสียเริ่มมีปัญหา mm hmm. พอมันเสียมันมีปัญหาก็ต้องสร้างความความทุกข์ใจให้กับเราแล้วเราต้องเสียเงินไปซ่อมล้ว mm hmm. นั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราหามาให้ความสุขกับเรานี้พระพุทธเจ้าให้เราสรุปว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นอย่าไปอยากได้ ให้เรากลับมาหาความสงบอยู่กับความความนิ่งความเฉยเวลาเกิดความอยากก็อย่าไปทําตามความอยากแล้วถ้าเรามีกำลังสมาธิที่แข็งแรงเราก็จะสามารถถวนความอยากได้เมื่อความอยากมารู้ว่ามันไม่สามารถดึงใจให้ไปทำตามความอยากได้ความอยากมันก็จะหายไปมันก็จะจางหายไปแล้วมันก็จะไม่กลับมาลบวนใจอีกต่อไป ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์นี้ไม่มีความอยากมาคอยรบกวนใจไม่มีความอยากมาชวนให้ไปเที่ยวที่นั่นไปกินไปเดินที่นี่ไปเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีท่านอยู่เฉยท่านสบายมีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราโชคดีที่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตสาวกที่จะมาสอนวิธีทาให้เรานี้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป ดังนั้นชกชาตินี้ถือว่าเป็นชาติที่วิเศษของพวกเราที่เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาแนวทางการปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆนี้คือศีลสมาธิปัญญากันอันนี้ถ้ายังไม่รักษาศีลก็มาหัดเริ่มรักษาศีลกันเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อน หรือสิ้นข้อหนึ่งก่อนก็ได้สิ้ข้อ1ก็สุราก็ได้เลิกดื่มโซุราสิ้ข้อ2ก็เลือกพูดปดหรือเลือกข้อไหนก็ได้ที่เรารักษาได้ไปค่อยๆรักษาไปทีละข้อเพิ่มไปทีละข้อได้5ข้อแล้วก็เพิ่มเป็น6ข้อ7ข้อ8ข้อไปแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปนั่งสมาธิกันมันทำไปทําใจให้สงบกันไปฝึกนั่งสมาธิกันเบื้องต้นก็นั่ง5นาทีก่อน10นาทีก่อนเพิ่มไปเรื่อยๆ นั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆเองปัญญาก็เริ่มสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ในโลกนี้มันเป็นทุกข์เนอะทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันมีเกิดมีดับมีมีการเปลี่ยนแปลงมันเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งให้มันไม่ไม่ดับไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะต้องดับมันจะต้องเปลี่ยนแปลงสอนใจอย่าให้ไปหลงไปยึดไปติดไปชอบอะไรในโลกนี้อย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้ แล้วต่อไปความอยากในใจมันก็จะหายหมดไปจากใจไม่มีความอยากหลงเลยแล้วใจก็จะเย็นใจก็สงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของของชีวิตของพวกเราที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหดินน้ำํำลมใสธาตุรู้และอวกาศสธาติปัญหาอยู่ที่ธาตุรู้คือใจของพวกเราที่มีความหลงมีความหลงที่ที่ว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ อย่าไปฮะอันนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขต้องให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกมาเกิดในโลกนี้ที่จะมาสอนเราให้รู้ความจริงอันนี้ได้ซึ่งพวกเราโชคดีที่เราพบนี้ชาตินี้ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วนั้นอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์โดยโดยการศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราศึกษาปฏิบัติแล้ว ต่อไปเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวามีวาอิโตทินงังเตตางนางุ ป, ปกะปะติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิบะเมวะสมิจฉาตุสัพเเอปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยถามณิโชติอรโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีขาโยโกภวะ อาทิวาธานสาีลิศนิจังวุธาปจายโนจัตารุธรมาะวะานติอายุวันโนสุขังาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศถ้าอยากจะถามอะไรเดี๋ยวก็เข้ามาถามได้อันนี้ถ้าไม่ถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือหรือก็ส่งเข้ามาทาง Facebook ทาง YouTube ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มาน้ากุฏจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติห้าร้อยสิบหนึ่งท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ e สองร้อยแปดสิบหนึ่ง YouTube Dr V Channel แปดสิบสองวิทยุออนไลน์เก้าขับเฮ์แปดนหนึ่งร้อยสี่สิบสามรวมทั้งหมดหนึ่งพันสามสิบสี่ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏค่ะ ธาตุทั้งหกอากาศาธาตุคืออะไรอย่างไรเจ้าคะมาเทศมาตั้งชั่วโมงไม่รู้อย่างนี้่จะพูดยังไงนะไอ้จะถามถึงอะไรถามว่าอากาศาธาตุนะอากาศาธาตุค่ะอากาศธาตุก็เนี่ยาา ค, าาความว่างที่รอบตัวเราเนี่ยเรียกวอากาศาธาตุถ้าเราไม่มีอวกาศเราก็ไม่มีที่ตั้งของร่างกายร่างกายต้องมีพื้นที่ พื an, ث, ้นที se, reverse, it starts, it swimming, ่ว่างๆนี่เราเรียกว่าอวกาศออากาศสัทธาแต่เราเรียกว่าอวกาศมันจะมันจะเหมาะกว่าเวลาเวลาส่งยานอวกาศออกไปมันก็อยู่ในอวกาศอยู่ในพื้นที่ว่างๆทำอย่างนี้ก็เป็นอวกาศเนีรอบตัวเรานี้ก็เป็นอวกาศแต่เราไม่เรียกว่าอวกาศมันไม่ใช่อากาศอากาศมันเป็นเลียน้ำลมไฟมันเปนเลีนฟ้าอากาศย นี่ยเป็นอวกาศคือไม่มีนี่เป็นเป็นความว่าเป็นความว่างเป็นที่ตั้งของสิ่งต่างๆค่ะคำถามจากผู้รับฟังน้ากุดค่ะอยากสอบถามเวลากรวดน้ําเสร็จทําไมต้องเอาใบไม้มารองน้ําที่กรวดเสร็จด้วยเจ้าคะอ๋ออันนี้มันเป็นความเชื่อไม่มีความจําเป็นการที่บุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องกรวดน้ําให้กวดน้ําใจน้ําใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนี้ เป็นความอิ่มเอิบใจนี้เราสามารถแบ่งให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วได้เวลาเราทําบุญเสร็จแล้วก็ระลึกภายในใจไม่ต้องรอให้พระมาสวดไม่ต้องมีน้ํามากรวดใส่บาตเสร็จปั๊บก็นั่งลึกหลับตาแล้วอธิษฐานจิตไปว่าขอทิดส่วนบุญท่นนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ที่ร่วงรับไปแล้วก็เสร็จพิธีส่วนเรื่องที่เขาทํากันนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่องคนต้องเทนะ้ำลงดินต้องเทใส่ต้นไม้อะไรก็ว่าไป ในเรื่องของความเชื่อไม่มีไม่มีผลต่อการบุศบุญแต่อย่างใดคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะควรวางควรวางใจอย่างไรเมื่อมีเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรอัตราตัวตนสูงใช้คำพูดที่ไม่เป็นมิตรกดข่มหาเรื่องชวนทะเลาะบางครั้งเราเผลอไปมีโทสะในจิตใจรู้สึกวุ่นวายหลายชั่วโมงทำสมาธิได้ยากครับ ก็ลองทําเป็นเมตตาเขาดูสิเอาขนมไปให้เขามีอะไรก็แจกแบ่งเขาวันนี้ทํากับข้าก็ทําเผื่อเขาบ้างนะวันนี้แกงเขียวหวานเอามาฝากเราต้องชนะใจก่นด้วยด้วยความเมตตาพระเจ้าสอนให้เรามีความเมตตานี่คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบปะกันไม่ใช่นั่งสมาธิส่วดมนต์คนเดียวเสร็จก็นั่งแผ่ไปนะอันนี้ไม่ได้แผ่ อันนั้นเป็นการระลึกเฉยๆเป็นความคิดเฉยๆว่าเวลาแผ่เมตตาจะต้องแผ่อย่างไรแต่ถึงเวลาจริงๆเวลาเจอเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยต้องต้องเปลี่ยนเขาจากการไม่เป็นมิตรให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราให้ได้วิธ mm hmm. ีที่จะชนะใจคนง่ายๆก็คือให้ของเขาไปเรื่อยๆ mm hmm. เอาทำตัวเป็นซ mm ันดคอตดดูย mm hmm. เดี๋ยวต่อไปก็มีคนรักเอง คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะลูกสาวอายุ14เดือนสองสวันมานี้ชอบร้องไห้กลางดึกไม่ทราบสาเหตุเพื่อนที่เพื่อนคุณอาที่เคารพแนะนำให้อาบน้ำมนต์ถวายผ้าไตรจีวรถวายสังฆทานพระอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรครับไม่ต้องหรอกบอกให้เขาพุโทโธพุโทโธไปเวลามีมีความรู้สึกไม่สบายใจก็ให้เขาสวดอิติปิโสไปหรือท่องพุโทโธธมโมสังโฆไปก็พอ เป็นเด็กอายุสิบสี่เดือนค่ ะ, ะนั่นล่ะสิบสี่เดือนเหรอก็อไม่ต้องทำอะไรละ เ, เป็นเรื่องของใจของเด็กบางทีก็อาจจะฝันร้ายหรือมีอะไรอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ล้องไปตามภาษาค่ะขอบคุณค่ะ คำถามจากท่านเดิมนะคะกลาบขอวิธีเดินจงกรมครับปกติเวลานั่งสมาธิผมจะมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกบริเวณช่องจมูกเวลาเดินจงกรมผมควรนําสติมาจดจ่ออยู่ที่บริเวณช่องจมูกเพื่อดูลมหายใจหรือควรจดจ่ออยู่ที่ความรู้สึกที่เท้าครับที่เท้ามันจะง่ายกว่าเพราะมันชัดกว่าแต่ถ้าดูที่ลมได้อยากจะดูที่ลมหายใจก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ที่เท้ากันมากกว่ามันง่ายกว่า เป้าหมายก็คือไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆคำถามจากท่านเดิมค่ะเจอหนังสือสวดมนต์ซึ่งมีบทอธิษฐานเปิดบุญหรือเบิกบุญมาใช้มีจริงไหมคะต้องไปถามคนพิมพ์ดูเลยเราไม่ได้เป็นคนิมพ์คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีธรรมะแล้วในจิตใต้ส เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีธรรมะแล้วในจิตใต้สำนึกกราบขอบพระคุณค่ะก็เราไม่โกรธนะแล้วก็มีธรรมะเราไม่โลภเราก็มีธรรมะเราไม่หลงก็มีธรรมะคําถามจากคุณเรียวค่ะกราบเรียนถามพระอาจา ร, รย์ว่าการกินยาถ่ายพยาธิผิดศีลข้อหนึ่งหรือเปล่าคะถ้าเป็นยารักษาโรคมันไม่น่าจะผิด น, นะ คำถามจากท่านเดิมนะคะการที่คุณหมอรักษาคนไข้หรือทนายความแก้ปัญหาให้ผู้กระทําผิดซึ่งเขาอาจจะต้องรับผลแห่งกรรมไม่ดีที่กระทํามาเจ้ากรรมในเวรของเขาอาจจะแค้นและหมอจะต้องรับผลที่ไม่ดีบ้างหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะค่ะตอนนี้ยังไม่มีคําถามค่ะโอเค มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวเลิกถามแล้วไม่ไม่ให้ถามแล้วนะเพราะว่าไม่มีเสียงเพราะว่าต้องใช้เสียงไมโครโฟนถึงจะพูดได้ยินเสียงกันถ้ามาถามที่ข้างหน้านี่มันจะเสียงมันไม่มีหมดกับมันต้องออกออกแรงพูดให้มันดังไม่ค่อยมีกําลังพูดได้แค่ตอนนี้ถ้า และอีกอย่างหนึ่งเวลาเลิกแล้วมันต้องมีการเก็บข้าวเก็บของมีอะไรต่างๆบางคนก็จะมาขอถ่ายรูปบางคนก็จะมากราบลาก็จะสับสนวุ่นวายกันพอสม ค, ควรไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเหมาะที่จะถามตอบคุยกันเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดถ้าอยากจะถามอะไรถามในช่วงที่เรายังถามตอบกันอยู่มีคำถามเข้ามาไหมครับมีค่ะคำถามศักคุณเมตตาธรรมค่ะ พระอาจารย์คะแล้วเรามีความเมตตามีแต่ความสงสารอยู่ถึงขั้นไหนแล้วคะมันมีมากมีน้อยเน่ก็อยู่ที่ถ้ามีมากก็ก็อยู่ขั้นสูงมีน้อยก็อยู่ขั้นต่ำอย่างนี้ไม่มีค่ะไม่มีแล้วเหละถ้า ม, มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา